ค่ะคุณชูที่เราฟังวิกรมจรัจฉลิตมาเนี่ยนะคะคมาสิบเก้าตัวเนี่ยเราก็พอจะสรุปได้นะคะว่าคืออันแรกเนี่ยเป็นการนิทางวิกรมจรัจฉลิตที่เอาไว้สอนยุวกาษศษเนี่ยเป็นการเน้นย้ำนะคะว่าผู้บริหารประเทศถ้าหากว่าอยู่ในศี่ในธรรมเนี่ยบ้านเมืองในฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูการลรืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์คนจะมีความสุขกันทั่วนหน้านะครับความฆ้าหานความเสียสล ะ, ะ, ะเพื่อให้เหมือนชนได้ มีความสุขเนี่ยก็จะแผ่บารมีกว้างใหญ่ไพศาลออกไปนะคะน้ำพระทัยของวิกรมาธิกษตริผู้ทรงคุณธรรมเนี่ยจะเป็นออกไปเป็นในลักษณะที่เรียกว่าที่ใดเดือดร้อนพระองค์ก็จะไปถึงที่ตรงนั้นทันทีนะคะอย่างกล้าหาญิีละได้แม้กระทั่งชีวิตนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุให้ว่าเป็นที่เก่าวกล่าวขานเล่าฝันนี้ถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามเรื่องราวที่แทรกอยู่หรือว่า เธอสิ่งที่สรุปออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมักจะออกมาเป็นทํานินนี้ทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของตุ๊กตาตัวที่สิบก็กอีกแล้วค่ะคือพระราชามักจะเสด็จท่องเที่ยวไปในท้องถิ่นต่างๆเ ส, สมอๆก็ไปถึงนครหนึ่งชื่อปัตตมลัยนะคะก็เป็นนครที่เป็นป่าส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ป่าใหญ่แวดล้อมด้วยทะเลสาบนะสําหรับนคร น, นี้นะคะพร ะ, ะพระราชาก็ได้มีการหยุดพัก น, นั่งแล้วก็นั่งสมาธิ ในะก็ในระหว่างนะั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงเป็นคนพื้นเมืองบ้างต่างถิ่นบ้างต่างคนต่างก็มาดื่มนนะ้ำในทะเลสาบแล้วก็พักผ่อนก็คุยกันนะก็เคยก็เล่ากันว่าเออเราก็เดินทางมานับไปถ้วนปีนเขาพวกเขาสูงก็ก่ปีแล้วนะแต่ก็ได้สิ่งที่อยากจะได้พบอย่างยิ่งก็ไม่ได้เจอเลยนะคือทุกทุกคนทุกแห่งที่ที่หามาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอเลยคือ ไม่เจอมหาบุรุษนะคะคือไม่ไม่เคยเจอคือเจอหมดทุกอย่างแหละพอจะไปถึงกสิ้นชีวิตลงซะก่อนน ะ, ะคือจะทํายังไงดีเนะี่ยอยากจะเห็นว่าเอ๊จะทํายังไงที่จะได้พบมหาบุรุษสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วเพราะว่าจากการประกอบคิดทางศาสนาเนี่ยก็บอกว่าภรรยายก็ดีโภทัพย์ก็ดีสาลีเกษตรก็ดีอ่นะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราโดยสรุปเนี่ยมีทั้งดีแลงชั่ว เราอาจจะหามาแลกเปลี่ยนทดแทนได้ทั้งแล้วครั้งเล่าปัญญาไม่ดีก็เปลี่ยนได้โพกซับไม่ดีเสียไปก็เปลี่ยนได้ข้าวสาลีเกษตรไม่ดีก็เปลี่ยนได้แต่ร่างกายเหล่านี้มันเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็ตระหนักว่าการใช้ร่างกายอย่างหักโหมยังไม่หยุดพักย่มีแต่โทษคือเขาก็ไปเดินทางมาตลอดเนี่ยถ้าจะหักโหมไปมันก็มีแต่โทษแล้วก็งานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำด้วยความยากเย็นแสนเข็นงานซึ่งนําตนไปสู่ความพินาศ งานนั้นเราก็เหลือวิสัยจะทําได้จริงขอให้คนฉลาดแม้จะต้องเผชิญสถานการณ์อันน่ากลัวเพียงไรก็ตามไม่พึงเสิ่งต่อาการปีนป่ายภู ผ, ผาที่สูงและชันมีหนาซ้ํำอย่างเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายครับอันนี้เขาก็ <ๆ S 1> พูดถึงเรื่องทัว่วไปนะคะว่าคนคนทั่วไปคนฉลาดย่อมควรจะรักษาตัวเองนะคะคแล้วก็จะทําอะไรก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองซะก่อนอย่าพยายามเสี่ยงทํางานที่ให้ผลเพียงเล็กน้อยแต่ไม่คุ้มค่า เขาคุยกันนะฮ ะ, ะคือเขาไปหามาหาบุรุษไม่เจอแต่เขาก็ไม่อยากจะไปตากตามแล้วล่ะพระเชษฐวิกรมาที่จึงตัดว่าเออนี่เน่ท่านผู้ต่างดินทําไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ยอ่ยอมยากนะถ้าหากไม่ได้ลงมือทำจริงๆด้วยความบากบันและกล้าหาญท่านกล่าวไว้ว่าสิ่งต่งตางๆที่ดีงามซึ่งยากใ่การจะได้มาก็อาจจะได้สมใจถ้ามีความปรารถนาะอันแน่วแน่จริงๆ คนใจกล้ามีควรจะตีราคาตัวของเขาสูงเกินกว่าที่จําเป็นโดยไม่คํานึงถึงโอกาสดีที่มาถึงซะเลยครับความหมายอันนี้คือพระเจ้าวิกรมรรมที่ต้องการชี้เห็นว่าอย่าไปเห็นในความสําคัญของตัวเองนั้มันมากอย่าไปมองแต่ตัวเองแต่ตรงใช้ของความเพียรและความแน่วแน่ <ฮะ S 1> ในการที่จะทํำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องบางครั้งน้ำตกจากฟ้าลงสู่กูคลองแต่บางทีน้ําก็ลงมาจากใต้ดิน คือมันได้น้<ต>ํามันตกไปเองก็ได้อ่าสะตากรรมเป็นปสิ่งที่ยากจะเข้าใจแต่ว่ามันมีอํานาจนะคะคือการกระทําของคนเราเนี่ยถ้ามีความตั้งใจเนี่ยมันมีพลังมหาศาลครับคือถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่ยอมเหนื่อยยากลําบากกายไม่ยอมอดทนต่อความเจ็บปวดก็ไม่ถึงความสุขอันแท้จริงมไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะก็พูดได้ง่าย ก, ก็ยกตัวอย่างนะฮะกรณีพระมัทธุพี มาทุพีก็คืออสูรผู้ค่าอสูรก็คือพอะระนารายผู้ได้พระลักษมีมาก็เหนื่อยล้าจากการกุนกระสินสมุทรแล้วพิธ ไ, ได้มาง่ายๆนะคะแล้วก็พระลักษมีเนี่ยผู้เป็นชา ย, ยางพระวิษณุก็ต้องอดทนต่อการโปรนิบาตพระสวามีนะในการอาวตารแต่ละชาติเนะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆแต่ละชาติเอางี้ถ้ายกตัวอย่างท่านผูฟังบางยังชาติที่เป็นนางสีดาครับก็ลําบากนะคะคือแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยพระนางก็อดทน ะะทีนี้บรรดานักเดินทางฟังก็บอกว่าองั้นเราจะทํำยังไงล่ะก็วอกเอางี้สหายถ้าว่าท่านเดินทางจากนกครนี้ไป12โยธท่านก็จะไปพบภูเขาสูงชันตั้งอยู่กลางป่าใหญ่บนยอดเขาจะมีที่อยู่ของสํานักถึงเรือศีชื่อติการนาฏติการนาฏก็คือหมายถึงผู้รู้แจ้งในอดีตปัจจุบันอนาคตใครที่ไปนมัสการท่า น, นก็จะได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา เราเองก็จะไปที่นั่นเหมือนกันก็ไปแอนว่าพร้อมกันเดินทางไปถึงภูเขานั้นแหะค่ะแต่ภูเขานั้นมันไกลมากอนะ่ะท้าวก็ลงมาทีก็ถูกถายมตลอดเวลาเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงในสุภราชาบอกอีกแปดโยศ<อ>คนก็เซ็งแจ่มุดชื่อโอ้กันหมดเลยรนะู้ว่า<อ>จะถึงแล้วแปดโยชนะไม่ไหวแลว้วไม่ไววหวแล้วหนทางยัง อ, ยงอีกไก ล, ล, ก, ล, ก, ลกลุกโรเรื้องลูกกระลำหมากได้เกินพระราชาก็พยายามให้กำลัง ใ, ใจนะก็บอกว่าโท่านที่มีความประพฤติ ที่มีเป็นนักบวชเนี่ย <c oughs> ทางไกลจะเป็นปัญหาอะไรสำหรับคนที่ตั้งใจจริงสำหรับผู้เข้มแข็งหนทางธุร ก, กันดารจะมีปัญหาอะไรกันขอให้ตั้งใจจริงเถอะครับ <c oughs> ปรากฏว่าพอเดินไปได้ถึง6กโย์ไปพบมังกรใหญ่ตัวหนึ่งค่ะอาปากกว้างอยู่เรียมสังหารเหยื่อพ่อนพิษออกมาเป็นไฟ <c oughs> ยิงขวางทางอยู่ พอเห็นมนังกรร้ายเท่านั้นแหละค่ะคุณชยุติเหล่านักเดินทางก็วิ่งหนีอุตลุดกระเจิงแตกไปหมดมเหลือพระเจ้าวิกรธรรทิพย์เพียงพระองค์เดียวครั บ, บงกรก็เดินรีก็มาเลยก็เข้ามาลัตอง์ขบกัดพระองค์นะคะแต่พระองค์ก็ทรงสะบัดรลุดจากสัตว์ร้ายทั้งที่ร่างกายบาดเจ็บไปทั่วแล้วก็ตะเกียกตะกายไปถึงอาสมของฤาษีติการนาฏเข้าไปทําการอัญชิีด้วยความนอบน้อมก็พระฤาษี อยู่ตรงนั้นมังกรร้ายก็ต้องหนีล่ะค่ะนะมหามุนีก็ก่าวด้วยความเมตตาวอโอ้ท่านสู้ฝ่าฟันอันตรายมาถึงที่อยู่มีร่างกายเจ็บปวดแสนสาหัสเป็นการฉลาดนั้นหรือที่ทำอย่างนี้พระราชาก็บอกว่าการมห า, มหายโยคีมหานากปาร์ดเนี่ยการอุตสาหฟันฝ่าเรา ม, มาถึงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะคะถือว่าเมื่อได้ถึงท่านแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแล้ว นะคะคือพ่อถือว่าเป็นท่านเป็นผู้ทรงพระบัญญัติอันบริสุทธิ์เป็นผู้ประเสริฐอย่างยิ่งลําบากยากแค้นยังไงทุกแสนสาหาัสนี่ไงหายหมดเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองไดโชคดีได้วยซ้ำไปรตราบใดเท่าที่ร่างกายนี้ยังมั่นคงมีสุขภาพดีนะคะยังยังใช้ได้อยู่ผู้ฉลาดพึงพยายามฝึกจิตของตนเพื่อสู่ความหลุดพ้นนะคะคือไม่ว่าต้องการอะไรก็ต้องใช้ความพยายามจึงจะได้มาครับ มหาโยคีได้ฟังก็ชื่นใจนะคะก็หยิบเอาคูติกาแปลว่าเครื่องเขียนคเครื่องเขียน ค, คล้ายคลช็อกนี่คะ่ะไม้เท้าและผ้ามอบให้พระเจ้าพิการมรรมทิ์ก็บอกว่าบุคคลใดขีดเส้นบนพื้นดินด้วยดินสอกี่เส้นก็ตามหนทางไกลแสนไกลก็จะย่อย่อลงส่วนไม้เท้าเอาแตะร่างทหารแม้ตายไปทางกองทัพก็ฟื้นเกินชีพนะคะและก็ศัตรูถูกไม้เทา้ามือซ้ายแตะต้องเมื่อไร่กองทัพทั้งมวลก็จะพินาศไป ส่วนภาพพื้นนี้สามารถให้ทุกสิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาจงรับเอาไปเถอะถือเสียว่าเป็นของกวนจากเราคือเป็นมหาบุตรนะพนูดง่ายๆก็ได้ของวิเศษมาครับก็กลับพนครนพอ้ากลับมาเห็นราชบุตรคนหนึ่งกาลังกอ่อไฟอยู่นะคะพระราชาก็ตัดถามราชบุตรก็บอกว่าอาณาจักรถูกญาติพี่น้องยึดไปอืนะคะก็ทํามาก็จะเผาตัวเองวอดไว้มัตายไปเลยครับพระเจ้าวิกรธรรมทิต ได้สลับรับฟังก็เลยยกสมบัติทั้งหมดที่พระองค์ได้มาด้วยความยากลาบากเนี่ยให้กับคนนี้ไปเพื่อที่จะไปกู้บ้านเมืองพระราชบุตรทรงรับของขวัญอันมีค่าก็กล่าวคําสดุดีและทูลลาไปพระชายาพิกรณ์มหิเสด็จคืนสู่กรุงอุชยินีด้วยพระไถยอันพองแผ้วเพื่อมีความสุขด้วยกันให้ให้ทานนี่ของวิเศษที่สุดเลยนะคะกุศลยุทธก็พระราชบูชาก็ลิงอื้งเลยค่ะสักพักหนึ่ง ใครควรอันดีแล้วก็กล้าพระบาทขึ้นเหยียบสิษะตุกตาทยี่สิบโดยไม่ลังเลเลยครับครับนี่เป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะขึ้นไปอยู่บนที่สูงสูงโดยเฉพาะเป็นผู้ปกครองหรือจะครองใจกลุ่มคนหรือมหาชนมวลชนขนาดใหญ่ท้าภูชะได้พิจารณาตัวเองแล้วพระองค์คิดว่าทําได้นะครับคุณสมบัติและคุณธรรมที่กษัตริย์วิกรมอาธิตย์ได้เคยดําเนินและปฏิบัติมา ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติ